เป็นทีรวมของคำสอนขอพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมอย่างแน่ทันเดียบภาษาศ ร, รัทธมคือทำเครื่องประกาศสั่งสอนแต่การสอนมันพปะพุตเจ้าทรงมีความมุ่งหมาย และมีจุดที่รวมลงแห่งคำสอนจุดที่รวมลงแห่งคำสอนก็คือใจผู้ประกาศศาสนานับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเป็นลำดับลำดาก็มีความมุ่งหมายลงที่ใจสอนลงที่หนังผู้ฟังก็ฟังเพื่อตนเอง ให้เข้า อ, อกเข้าใจในความผิดถูกดีชั่วอะไรทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากใจทั้งหมด้าใจได้รับาออการอบรมที่ดีการระบายออกจากใจไม่ว่าหมากน้อยแยบละเอียด่วงไหลออกมาทางกายวาจา ย่อมเป็นของดีไปตามตามกันหากพอใจได้ไม่ได้รับการอบรมการแสดงออกก็ต้องสอดถึงความไม่รบอบคอบความผิดพลากไปเรื่อยๆดังนั้นทั้งโลกก็ดีทางธรรมก็ดียิ่งนิยมการศึกษาเรียน 6กลุ่มเด็กก็แต่เริ่มเป็นเด็กมาพ่อแม่ต้องให้การอบรมสั่งสอนเป็นลำดับลำดาจนทั่งส่งข้าโรงเรียนเพื่อจะให้เด็กได้รับความรู้ความเท่าเเพื่อการปฏิบัติต่อตัวเองนี่เป็นอันดับแรกจักนั่นไปก็ เรื่อสิ่งเกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องตลอดถึงส่วนรวมต่างคนต่างเลยรับการอบรมศึกษามาเรื่อูดีนาที่การงานที่ทําด้วยการได้รับอบรมศึกษามาแล้วนั้นก็ย่อมเป็นประโยชน์ไม่ค่อยจะมีโทษถาหาไม่แล้วครับ มอมากมีแต่ความผิดชาาิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ค่อยปรากฏท่านจึงนิยมกันให้ได้รับการศึกษาเ ร, าเรียนทางโลกทางธรรมให้ดีแท้ก็ให้เป็นไปพร้อมๆกันนักเรียนที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนก็ดี รูอ้อยู่ในบ้านก็ดีเวลามีโอกาสเอาแน่แต่ อ, ต อ, ออกตนอบรมทางด้านศีลปธรรมแสงกันไปด้วยเข้าโรงเรียนก็ควรจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับด้านธรรมะแสงเข้าไปด้วยทุกๆชั้นที่เรียนนะครับแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงของวิชาที่เรียน เด็กจะได้มีความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะการเรียนเดียนหนักประทางไหนก็ต้องรู้กระทางนั้นถ้าหนักกระททางโลกล้วนๆธรร ม, มะไม่มีเลยก็แสดงว่าบกป้องทางธรรมหากได้รวบรวมไปด้วยกันแฝงกันไปก็ดี ท่านถือกันอย่างนี้ผู้ใหญ่ท่านมีความฉลาเดเพื่อเริ่มการอบรมศึกษาเรื่อยไปพูดถึงผู้ปฏิบัติทางด้านธรรมะขอยื่นเป็นของจำเป็นสำหรับธรรมะที่เกี่ยวกับตัว ธรรมะที่พระพุทธเจ้าถ่ายสอนไว้ทุกบทบทุกบทรวมลงที่ใจคือให้ใจได้รับความเข้าอกเข้าใจใได้รับความรู้ความฉลาดวิธีจะปฏิบัติต่อใจของตัวเองมีประโน์ทั้งหายธรรมะเป็นสิ่งที่ให้คุณเสมอไปไม่มีโทษเกี่ยวคนไม่เบื่ไม่มาก มากแค่ไหนก็เป็นประโยชน์แค่ไหนวิชารักษาตัวนี่เป็นวิชาสำคัญเป็นของอาศัย้ธรรมะรักธรรมะเป็นวิชารักษาตัวโดยตรงรู้เข้าถึงจิตถึงใจมากเท่าไหรก็ยิ่งเป็นเหตุแห่งแน่ใจในตัวเองทางโลกยังมีที่เรกที่แจ่มที่รักอยู่บ้าง สำหรับทางธรรมานี้ถ่าได้เขา้าถึงใจแล้วจะไม่มีผิดแย่งทีดลนะความผิดถูกทราบอยู่กับตัวเองนิริโอตุปะความพิรุ่งตัวต่อความผิดพลาดทั้งหลายข้อมีอยู่กับตัวไมเลือกเป็นทําเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์สลักตัดทิ้งในสิ่งที่เ็ไม่เป็นความผิดโดยไม่ว่าผิดแย่งผิดนละ ข้ามูงผลที่ถูกต้อ ง, ตงจริงนการจะเรียนให้ถึงธรรมะหรือให้ธรรมะเข้าถึงใจจริงๆปฏิบัติให้ถึงใจได้รับผลจริงๆเท่าทกจรนนิตมาดยมากกคือการอบรมภาวนา เพราะการภาวนาเป็นการดูใจของตัวเองซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่งหมดไม่ว่าอิริยาบถใจใจจะอยู่ที่เฉย น, นั่นมีการเคลื่อนไหวที่ตึงแต่งอยื่นั่นรืน่นนี้ถ้าไม่ได้ละมั่ระวังแใจก็สังคมยากคิด ไว้สำหรับตัวเองดูวความอยากคิดอยากปรุงนั้นไม่เด่นิยมว่าดีหรือชั่วจิตชอบท้งนั้นปรุงทางดีก็ชอบปรุงทางชั่วก็ชอบปรุงทางเข้าสุขเสียใจก็ชอบปรุงทางรื่นเรงบันเทงก็ชอบท่านชอบเสมอท่านมีธรรมะเข้าไปทดสอบ เลือเส็จแล้วจิตจะไม่มีทางเลือกความคิดหนักแต่จะคิดไปเรื่อยผลแน่าจะเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนแต่ตนก็ทราบว่าเดือดร้อนแต่ไม่สามารถทรถาบและสามารถจะแก้ไขตนได้ด้วยวิธีใดค ง, งเราเกิดมาในโลกไม่มีใครจะต้องการความทุกขความลําบากแต่พอเห็นได้ถึงต้องเจอตอบก็อเหตุ ที่ว่านี่เป็นเหตุมากที่เจอภายในใจเพราะความทุกข์ภายในใจนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความสลาความมีความตนแต่ขึ้นอยู่กับความคิดของตนเป็นสำคัญ ความคิดเป็นเรื่องเป็นต้นเหตุก่อเรื่องขึ้นม า, ามีธรรมะพอมีทางจะเยกเยกกันทดสอบกันในความคิดความคิณขึ้มแล้วหาทางแก้ไขกันมาเพราะอย่างยิ่งการภาวนามีทางที่จะทราบ เรื่องใจงใมิผนได้ดีเพราะเรานั่งสังเกตเรื่องของเราติดรูชั่วขึ้นมาอย่างไรก็สั่งทานทรวนาท่านสอนให้มีทำบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องดีในขันนุนเนี่ย ยังยังไม่สามารถจับทรมตัวได้ด้วยใจโดยเฉพาะก็ต้องอาศัยบทธรรมพมาานสี่ปิดร่วนแล้วตั้งแต่ทำเครื่องอาศัยมันลงตัเห็นพุทโธรลรำนึกพุโทโธพุธโทโธดี่ใจให้มีความสือต่อด้วยความรู้คำว่าพุโทโธกับใจ ให้ปึงปนกันไปตามเลยนะที่ป็งกนแล้ตามเวลาที่ไนทำาเรื่องเลยมีใจคําหน้าที่อันเดียวไม่ได้ทำความรัย้ออยู่กับสินน่งใดก็ยังอยู่กับสินน่งและพยายามทำคํารู้กับงานที่ป็นกำลังทำนั้นให้สืต่อกันไป นานการนั้นตาตกเป็นความสงบสุขใจกยธาแล้วเยน็เยนความเย็นกับความสบายรู้สิใจเป็นอันเดียวกันขณะใจที่ใจสงบขณะนั้นเป็นความสบายเกิดว่างความความรุ่งอร่าทั้งหมดเรียแต่ความนี้ ยังทำใหความสงบนี้ก็มีหลายขั้นอย่างมากงสงบให้รางตเป็นความสบายเท่านั้นเราก็ขอไปเห็นผลของการทําอีกยิ่งมีความสงบเข้าไปมากเท่าไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดของอาจารย์ขึ้นกับใจ ดวงสมดนั้นมากทท้านั้นขณะนั้นคือเป็นขณะที่ใจไม่เํนานความคิดความปรุงทั้งหมดขึ้นเป็นงานของผิดหยือเป็นความริบเรืองนั่นเป็นตัวของตัวคุณ แล้ในขั้นเยนสมายผิดใจรู้สึกยนินแเย้่อแฉกใช้เบิกบานพอตาเปความสุดขขึ้นมาจากความเแต่การกำหนดทาวานาด้วยบทธรรมนั้นจะดิ้นใหมเหมือนกันโปรดให้เทียบเทีย้วิธีนิพพา กำหนดพิโทรทำโมิสังคุณอนาปาณศิลป์หรือจะตามด้วยพิโทรเวลาหายแต่เาออก็อห้ทำความรูอ้อยู่กับสิ่งที่ตนทำนนผลก็คือความตระเย็นแต่เดียวครับจิตนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากยากที่จะกำหนดยูือดะวางอะไรคือจิต ถ้าจิตไม่สงบลงกะก่อนจะไม่ทราบว่าจิตคืออะไรจิงที่ไดแม้สู้ใดตั้งใจทู่ตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่อันเดียวคือพยายามจะให้รู้จิตของตนดูด้วยการภาวนาต า, ามแต่ถ้าจิตยังไม่สงบลงเมื่ อ, อก็ยังไม่รู้ว่าตัวจิตแท้คืออะไร จิตนั้นอในกายของเราเนีของเรามีแต่มันจับไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันสนนร้างออกไปตั้งแตนักทางน่างกายไม่ทราบจิตไหนเป็นจิตดของจิตจิตแร้จิอ น, นี่เป็นของละเอียดขนาดนั้นมีวิชาคือธมรรคที่ทำให้เราสามารถจับจิตให้รู้ว่าเป็นจิต เป็นจุดต่างๆในส่วนน่องขานาและแยกกันได้จริงๆแยกกันทั่วขณาก็มีแยกกันได้ตลอดทางจนแยกกันได้ทั่วการทั่วขนาดก็สิ่งจิตที่เป็นสมาธิจิตเป็นจิตกายเป็นการมีเป็นขั้ น, นขั้นที่สองจิตแยกจากกายได้ ยังเรียนนาตัณาตัณหาหนึ่งอย่างยังแยกไออกมีเป็นขั้นที่สองที่เกิดขึ้นจากการภาวนาทางนั้นเมื่อจิตเข้าถึงขั้นแยกกายได้ขาดกายในความรี้สึกกาว่าเป็นตนถึงจะจับพระเศตจแต่ก็ย <french> <t ide> ังเรนาตัญหาัาหนึ้น่งท่มีใจยังแยกไม้ ก็ต้องพิจารณาอีกต่อไปก็แยกหน่<ม>ขันห้าหมดสาบว่าเป็นขันห้าชัดเจนภายในใจตามที่ท่านสอนเลยว่าสันทิปกิโกคือเห็นเองแม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ถาม เพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันเช่นเดียวกับต่างคนต่างรับทางเมื่อต่างคนต่างอินไม่จำเป็นต้องถามกันเพราะความอิงทราบได้ด้วยกันทุกคนธรรมะของเป็นเช่นเดียวกันขั้นที่สองแยกขันธ์ขั้นที่สาม เชื่อเดิมที่ฝังอยู่ในจิตอย่างละเอียดมากท่านบอกความหลงตัวก็หมายถึงอวิชชาท่านสอนไว้แต่อวิชชาในแบบนั้นท่านดึงออกไปจากจิตนะแต่วางเป็นแบบแผนสำหรับคนส่วนอวิชชาจริงๆเราไม่เห็นดูในจิตนั่นเอง แทรกอยู่ในจิตเหมือนกับยาพิษที่ซิงอยู่ในด้านวัตถุไม่มองเห็นตัวแต่มันมีอยู่ในนั้นนี่จะต้องอาศัยความเพียรสติปัญญาซึ่งมีกำลังควรจะถอดถอนหรือแก้ไขกันออกได้ออสติปัญญากล้าจะ แ, แยกกันจนได้ ที่จุ่มชาติอยู่ภายในกิจออกไปหนดไม่มีอะไรเหลืนี่เป็นขั้นที่สามขั้นนี้เป็นขั้นตลอดกาลเราจะตั้งจะแยกไม่ตั้งจะแยกไม่เป็นปัญหาเพราะแยกกันโดยเด็ดขาดแล้วนั่นเป็นอิสระแท้ ใจอิสระถึงถาดขันจะมีการเจ็บไข่ในตัวตรงไหนก็ตามก็ทราบชัดชัดว่ า, า, านี่เป็นเรื่องของธาตุกายไม่มักเกี่ยวข้องกังวลให้เกิดความเดือดร้อนภายในตัวเองอีกทีรูปตามธรรมดา ท, ทั่วๆไปร่ากกายได้รับความลำบากใจต้องลำบากไปตามกัน กายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์แต่นี้กลับกันกายเป็นสุขใจกายเป็นสุขกายเป็นทุกข์ใจไม่ไม่รับเสวยด้วยกายก็ทราบว่ากายเวทนาคือความสุ ข, สขทุกข์ใจเฉยที่แสงอยู่กับกายก็ทราบมาเป็นเวทนาไม่กระเข้า ก, ก, กัน เรียกว่าละในดูเด็ดขาเป็นจิตที่มีสต์เสรเีเต็มที่ไม่มีการระวังกลัวอะไรจะมาแทรกซึมจิตตรงนั้นเห็นก็เห็นประธรรมดาได้ยินธรรมดารข้อมดเชื่อที่จะสูกต่อกันได้ เชื้อภายในไม่มีจิงมภายนอกก็ไม่เป็นไฟเหมือน ก, นกันกับเตาไฟจึ้มไม่มีไฟข้างในสายฟูนเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นกองฟืนเท่านั้นไม่ปรากฏเป็นไฟขึ้นแต่ถ้ามีเชื้อไฟอยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องแสดงเตลขึ้นมาทันที เชือของจิดก็เป็นอย่างนั้นนหมืันพบทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต้องแสดงความกำลัเลิกออกมาในทางดีใจเสียจัจปิดไม่อยู่แต่ถ้าเชื้อภายในนั้นหมดจริงจิงแล้วและรูปก็แล้ ว, ลกกลวเสียงก็แล้วกลิ่นก็แล้ ว, ลวไม่มีสิ่งใดไปเป็นภัยต่อใจดวที่เป็นอิสระ และไม่สึงทราบกับสิ่งใดนั้นอีกต่อปถ้าพูดถึงลงความสุขก็เต็มผูกไม่ต้องการจะเอะไรมาเพิ่มเติ ม, มสมเสริมอีกแล้วนี่ะวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่วิเศษสามารถค้นพบในหลักความจริงึี่มีในตัว ธาตุขันก็ทราบชักก็เป็นธาตุขันอาจิตก็ทราบชักก็เป็นจิตส่วนไหนเป็นกิเลสอันหาอาสวะที่เป็นเครื่องรถรูกมัดรัดลึงจิตใจทั้งตนอดท่วงจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยมาตั้งแต่นานแต่นานก็ทราบชักแค่ถอดถอนกันได้ด้วยวิชาธรรมะเองฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของเยี่ยมยอดถ้ามีการจะลด ดนอนพรพลนลงไปทรงมีคุณสมบัติอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ที่นั่นตลอดไปเนี่ยไม่เป็นภัยต่อผู้ใดยลยนับตะเด็กที่รู้ยังสาภาวะนำธรรมะมาปฏิบัติก็ได้ผลตามท่านภูมิของตนงเป็นคารวาสก็นำไปปฏิบัติได้ตามเพศของตัววัยของตัว เป็นพระก็ดูแล้วว่ามีหน้าที่ปฏิบัติธรรมะโดยตรงนี่ความสุขถ้าได้เจ อ, อนั้นแล้วก็ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนคาดอธิรุ่นหน้าสมายัยที่นี่หน้าสมัยย่องความคาดก็คือความต้องการสิ่งที่มีอยู่นั้นตัวนั้นไม่พอกับความต้องการคิดว่าทางโน้นจะมีเพลินที่ทางโน้นจะ ทางนี้จะมีเพิ่มบ้างหรือภายในตัวไม่มีเข้าใจว่าทางโน้นจะมีความสุขทางโน้นี่จะมีความสุขมันจึงทําให้ใจของเราแสงอยู่แสบตายขาวเยี่ยงข้ า, าแทนที่จะเป็นสุขกลับเป็นทุกข์ไปแล้วแทนที่จะเป็นดังใจขาดหมายว่ากลับเป็นอย่างอื่นทุกข์เดือดร้อนอีกอืในตัวโกหกนี้มันต้องขังลอกลวงอยู่เรือย การปฏิบัติภาวนาเป็นวิชาหรือวิธีที่จะรู้เรื่องความโกหกของตนได้ดีอุบายต่างๆที่สอนนั่นที่ท่านสอนไว้นั้นเป็นอุบายวิธีที่จะเข้าถึงความจริงคือจิตแท้ทั้งนั้น จใจสบายอยู่ที่ไหนมันก็สบายมองย้งร้อนหนาวแต่อดแะ่อิ่มบทสอนสมบูรณ์มันเป็นเรื่องของแต่ละอ ย, ย, ย่างๆอย่างที่จำต้องสัมผัสกันต้องรับรู้เพราะโลกอันนี้มันเต็มพลว้วยสิ่งมนแต่ไม่ให้มีเหล่านี้มันจะได้อย่าง ท่านจะเี่ยหวัโลก อ, อนิจจังเราเรียนธรรมะเพื่อให้ลูกความจริงของหลักทั้งสามประกันี้แล้วก็สบาย อ, อนิจจังข้างนอกก็มีข้างในก็มีทั่วทั้งโลกกระถานับแต่ตัวของเราไปมันเหมือนกันทุกขังอนาตามีสภาพอันเดียวกันเรียนให้รู้เห็นตามหลักความจริงแล้วมันก็หมดความตื่นเอง นี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตนได้ด้วยการดัดแปลงและค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อหมายล้นละการดัดแปลงเปลี่ยนเป็นสอความสูงเส ม, มือดไป วันก็บางทีหนวกเรืองใช้ทุระนี่ผุนเหนื่อยแย่แล้วมันนะขอเอะจีบเยอะทำนี่